ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับโอกาสที่ได้แบ่งปันพระวจนะคำของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะในตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพระเจ้าได้มีโอกาสฟังเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะคะซึ่งมันเพลงที่สั้นมากนะคะมันเป็นเพลงในอัลบั้มบางบางครั้งนะคะในบางอัลบั้มเนี่ยมันจะมีเพลงหัวเพลงกับถ่ายกับเพลงท้ายเพลงใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นเพลงท้ายท้ายอัลบั้มซึ่งเพลงนี้มันมีอยู่แค่สองประโยคนะคะ เดี๋ยวมาดูว่าประโยคสองประโยคนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นเพลงสั้นมากนะคะมีประโยคอยู่แค่สองประโยคเท่านั้นเองค่ะขอเชิญฟังค่ะ เพลงมีอยู่แค่เนี้ยค่ะถอยกหนึ่งถอยก1หนึ่งเพื่อจะเดินต่อไปเพื่อจะเดินต่อไปหัวข้อประจำเดือนนี้เนี่ยคือเรื่องของการอธิษฐานเมื่อข้าพเจ้าฟังเพลงเนี้ยตั้งใจตอนที่ปกติอัลบั้มเนี่ยก็จะฟังอยู่บ่อยๆนะคะแล้วพอรู้ว่าจะต้องเทศนาวันวันนี้นะคะ ก็นึกพอได้ยินเพลงนี้ก็แบบอยากอยากจะใช้หัวข้อนี้สำหรับเดือนนี้เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เราให้เอาไว้สําหรับเรื่องของการอธิษฐานเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการอธิษฐานอย่างที่เราร้องเพลงไปเมื่อสักครู่ค่ะคือการหยุดและฟังเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้หยุดเพื่อที่จะได้ไข้รวนถอย เพื่อที่จะมีแรงที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าในชีวิตของคนเราอะค่ะไม่มีใครไม่เคยล้มมาก่อนกว่าที่เราจะยืนได้ทุกวันนี้ค่ะเราทุกคนล้มมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งและก็มีแผลมีบาดแผลมาไม่รู้กี่บาดแผลแต่ทุกครั้งที่เราลม้มถ้าเราอยากจะยืนได้เราอยากจะเดินได้เราก็ไม่กลัว เราเห็นเด็กๆตอนที่เราทุกคนเด็กๆอะคะ่ะกว่าที่เราจะยืนและกว่าที่เราจะเดินได้ะคะ่ะเราล้มไม่รู้กี่ร้อยครั้งและสิ่งที่น่าแปลกเพราะเราว่าเราล้มครั้งไหนเราก็ไม่เข็ดเราอยากเพราะว่าความอยากที่จะเดินได้มันมากกว่าความรู้สึกเจ็บจากการล้ม หลายครั้งเมื่อตอนเด็กๆถ้าเราจำได้นะคะใครที่เป็นพ่อแม่นะคะสมมุติว่าเราบอกลูกว่าน้ำมันร้อนอย่าแตะลูกเราก็ไม่เชื่อใช่ไหมคะเราก็จะแตะเลยมันร้อนมันจะได้เข็ดมันจะได้ไม่แตะอีกแต่มันแปลกนะคะลูกเราหรือตัวเราเองเนี่ยตอนที่เราตอนที่เราเป็นเด็กที่เรายังเดินไม่ได้อะคะ่ะเราล้มตั้งหลายครั้งไม่เห็นเราจะเคยเข็ดสักครั้งเลยพราถ้าเราเข็ด เราจะไม่มีวันเดินได้เพราะอะไรตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตนี่มันถ้ามันเดินได้เนี่ยมันคงมีอิสระมากอะคะเพราะเราจะได้เดินไปไหนมาไหนและเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี้ยบุกอยู่ห้องเด็กอ่อนนะคะพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอยากให้อยากให้ตอนที่ลูกยังเดินไม่ได้ก็อยากให้ลูกเดินถูกไหมคะพอตอนเนี้ยเขาเดินได้เขาวิ่งได้เราอยากให้อะไรคะ อยู่นิงน่งๆอยู่นิงน่งๆแต่ตอนที่ลูกก้าวเดินได้ก้าวแรกนี่มันตื่นเต้นมากอะค่ะแต่พอเดินได้ปุ๊บเราอยากเขาอยู่กับที่ถ้ามีโซ่ล่ามนี่เราอยากเอาโซ่ล่ามไปเลยเพราะว่าเพราะเรา <c oughs> เดินตามไม่ทนันพ่อแม่ก็เหนื่อยแต่ตอนเด็กๆเราไม่เคยเข็ดนะคะแต่สิ่งที่น่าแปลกเพราะว่าพอเมื่อเราโตขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่เราล้มแล้วบางคนเข็ด ในชีวิตในชีวิตของคนเราเนี่ยไม่มีใครประสบความสาเร็จในชีวิตได้ตลอดเวลาหลายครั้งเราไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเราก็ห ล, ล้มและบางคนก็เข็ดเข็ดแล้วก็จมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับสิ่งที่ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองปุ๊กมีคลิปวิดีโอหนึ่งค่ะที่อยากจะเปิดให้ดูแต่ขอโทษว่ามันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่เดี๋ยวปุ๊กจะแปลให้ทีหลังนะคะอันนี้เป็นคลิปที่มีชื่อว่า famous failure After being cut from his high school basketball team, he went home, locked himself in his room, and cried. He wasn't able to speak until he was almost four years old, and his teachers said he would never amount to much. Was demoted from her job as a news anchor because she wasn't fit for television. Fired from a newspaper for lacking imagination and having no original ideas. At age 11, he was cut from his team after being diagnosed with a growth hormone deficiency, which made him smaller in stature. Than most kids his age. At 30 years old, he was left devastated and depressed after being unceremoniously removed from the company he started. A high school dropout whose personal struggles with drugs and poverty culminated in an unsuccessful suicide attempt. A teacher told him he was too stupid to learn anything, and that he should go into a field where he might succeed by virtue of his pleasant personality. Rejected by Decca Recording Studios, who said, "We don't like their sound. They have no future in show business." His first book was rejected by 27 publishers. His f i a n c é e died, failed in business, had a nervous breakdown, and was defeated in eight elections. If you've never failed. You've never tried anything new. Michael Jordan. After he, he, he, he was cut from the basketball ร e เร a ยน i ขาก h ับบ้าน e ั t home, locked himself in his r o อง a ห้แล้ e ค t น a ้นก็ค a s Michael Jordan, was the NBA's six-time champion a ็ d the four-time b a s k e ยอดเยี่ย e 4สม a r เขาพูดไม่ได้จนกระทั่งอายุ4ี่ขวบแล้วครูที่สอนก็คิดว่าเขาคงจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตและคนคนนั้นก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เป็นนักฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์เธอถูกปลดออกจากการเป็นผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ด้วยเหตุผลว่าเธอไม่เหมาะสมกับงานโทรทัทศน์และคนคนนั้นก็คือโอลิฟราวินฟรี พิธีกรทอล์โชว์ที่ได้รับรางวัลมากและเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการโทรทัศน์เขาถูกไล่ออกจากสำนักพิมพ์ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเป็นคนไม่มีจินตนาการและความคิดของเขาก็ไม่แปลกใหม่และคนคนนั้นก็คือวอล์ด์ดิสนีย์ผู้สร้างการ์ตูนมิกกี้เมาส์และได้รับรางวัลอสการ์ถึง22ตัว เมื่อตอนอายุ11เขาถูกขัดออกจากทีมเพราะตรวจพบความผิดปกติของฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตซึ่งทำให้เขาตัวเล็กกว่าเด็กในวัยเดียวกันแล้วคนคนนั้นก็คือแมซี่ลีโอเนลแมซี่นักเตะยอดเยี่ยมสามสมัยของสมัยของฟีฟ้านะคะตอนอายุ30ถูกไล่ออกจากบริษัทที่ตัวเองเก่อตั้งแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้านั่นก็คือสตีฟจ็อบส์ CEO ของบริษัท Apple และ p i ก a r Animation. เขาต้องลาออกจากโรงเรียนตอนช่วงมัธยมปลายด้วยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและความยากจนและก็เคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อนและคนนั้นก็คือเจ้าของคือเอนิกแมกเจ้าของรางวัล g กรม m ี13ครั้งและอะัลบั้มของเขาขายได้มากกว่า90ล้านแผ่นทั่วโลก ครูบอกว่าเขาโง่เกินกว่าที่จะเรียนรู้อะไรได้และคนคนนั้นก็คือโทมัสอวาเอดิสันผูป้ประดิษฐ์หลอดไฟเขาถูกปฏิเสธจากบริษัทบันทึกเสียงเบ็คกาโดยบริษัทบอกว่าไม่ชอบเสียงเขาและคิดว่าเขาไม่มีมีอนาคตในโลกของดนตรีและวงนั้นก็คือเดอะบิทเทิล วงดนตรีที่ประสบความสำเร็จในเชิงการขามากที่สุดและได้รับการขนานนามว่าเป็นวงดนตรีแห่งประวัติศาสตร์หนังสือเล่มแรกของเขาถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์กว่ายี่สิบเจดสำนักและคนคนนั้นก็คือดรซูสนักเขียนนิทานเด็กที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์คู่มั่นเสียชีวิตธุรกิจไม่ประสบความสาเร็จ ลงสมัครเลือกตั้งแล้วก็แพ้แปดครั้งและคนคนนั้นคืออับราฮัมรินคอนประธานาธิบดีคนที่ส6หของสหรัฐอเมริกาชีวิตของคนเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าเพิ่งพูดถึงไปต่างเคยล้มและการล้มของเขาไม่ได้เป็นการล้มที่ล้มเบาเบ่าอะค่ะแต่มันเป็นการล้มที่มันสามารถ มันสามารถทําให้คนเราไม่มั่นใจในชีวิตของตัวเองสามารถทําให้คนรู้สึกว่าเขาถูกตัดสินอนาคตของตัวเขาไปแล้วจากการที่เขาถูกปฏิเสธจากการที่เขาเผชิญกับปัญหาที่หนักๆในชีวิตแต่คนเหล่านั้นเขาจะไม่มีทางมาอยู่ในจุดที่ทุกคนเรียกว่าความสําเร็จได้เลยถ้าหากเขาไม่กล้าและไม่ตั้งใจที่จะลุกขึ้นและเริ่มต้นเดินต่อไปข้างหน้า ชีวิตคริสเตียนก็เช่นกันมีบุคคลมากมายในพระคัมภีร์ที่เคยล้มในชีวิตและเขาพร อ, อยากจะยกตัวอย่างสองคนด้วยกันคนหนึ่งก็คือเปโตรคนที่ปฏิเสธพระเยซูหันหลังให้กับพระเยซูพระเยซูแล้วก็หนีเอาตัวรอดเพราะว่าทุกคนต้องเผชิญกับความทุกข์และเขาต้องเผชิญกับความทุกข์ความรู้สึกผิดอยู่สามวันก่อนที่เขาจะพบว่าพระเยซูคิดเป็นขึ้นมาจากความตาย คนที่สองคือเปาโลคนที่เป็นปฏิปักษ์ของคริสเตียนทำร้ายคริสเตียนฆ่าคริสเตียนและในระหว่างทางที่เดินไปที่เดินทางไปดามัสกัสเพื่อที่จะไปทำลายการประกาศของคริสเตียนเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าและเปาโลตาบอดอยู่สามวันก่อนที่อนาเนียจะเดินทางมาพบเขาแล้วอธิษฐานให้พี่น้องคิดว่าในสามวันนั้น ทั้งเปโตรและเปาโลเขาเหล่านั้นทําอะไรทําไมพระเจ้าต้องรอเวลาทําไมพระเจ้าต้องรอเวลาสามวันทั้งนั้นที่พระองค์สามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นภายในชั่วพริบตาก็สามารถทําได้พระองค์จะรอเวลาทําไมตั้งสามวันและสามวันนั้นสามวันของคนที่อยู่กับความทุกข์อยู่กับความรู้สึกผิด อยู่กับความไม่เข้าใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเขาสามวันของของคนที่กำลังอยู่ในชีวิตแบบนี้เนี่ยมันนานมันรู้สึกนานมากกว่าสามวันแน่นอนสามวันนี้คือสามวันที่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนชีวิตของคนได้เลยเยเรมี Jeremy บทที่สบเกข้อที่สิบสองบอกว่า แล้วเจ้าจะทูลต่อเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้เจ้าพบเราและเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีอันที่จริงแล้วเราไม่รู้เลยว่าในสามวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเปาโลหรือกับเปโต แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือหลังจากสามวันนั้นไปแล้วชีวิตของสองคนนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงชีวิตของเขากลายเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ยืนหยัดอยู่เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐและยอมมอบชีวิตทั้งหมดของเขาเพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์และทั้งสองคนก็ยอมตายเพื่อพระเยซูคริสต์ด้วยในช่วงเวลาทั้งสามวันนั้นเป็นช่วงเวลา ที่เราที่เราพอจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ใคร่ครวญในชีวิตของตัวเองเป็นช่วงเวลาแห่งการถอยหลังถอยก้าวไปสู่ช่วงเวลาแห่งการใคร่ครวญชีวิตการทบทวนการร้องทูลขอการอธิษฐานและมันเป็นช่วงเวลาแห่งการสแสวงหาโอกาสอีกครั้งหนึ่งโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิต มันเป็นช่วงเวลาในการค้นหาพระเจ้าค้นหาความหมายใหม่ในชีวิตชีวิตแห่งการอธิษฐานมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การที่เราอยู่จำพรรษาของพระเจ้าแล้วก็ทูลขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้าแต่การอธิษฐานคือการเอาชีวิตของตัวเองเข้ามาสแสวงหาน้าพระทัยของพระเจ้าเวลาที่เราอธิษฐานเราไม่ได้กาลังบ่นบานสารกล่าวกับพระเจ้า แต่เรากําลังเอาตัวเองเข้ามาหาพระเจ้าและแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเราแสวงหาจนพบพระองค์และพบพร่องเป็นการส่วนตัวมันเป็นการถอยหลังกลับมายืนอยู่ในจุดที่ตัวเองอาจจะไม่เคยยืนอยู่มาก่อนอยู่ในจุดที่เราหยุดจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรายืนถอยหลังมาก้าวหนึ่งเพื่อจะมองดูชีวิตของตัวเองณเวลานี้ ว่าเรากำลังเผชิญอยู่กับอะไรเรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรเรากำลังมีความทุกข์ใจอะไรมีปัญหาอะไรมีความสุขใจอะไรในชีวิตมันเป็นโอกาสที่เราจะมองเห็นตัวเองมองเข้าไปในชีวิตของตัวเองทบทวนชีวิตของตัวเองเพื่อเราจะได้รู้ว่าพระเจ้ามียู่นามพระทัยอะไรสำรวจความต้องการของตัวเองและสแสวงหานาพระทัยของพระเจ้าพระเยซูกิตสอนสาวกว่าเมื่อท่านอธิษฐาน <c oughs> พระเยซูกิสอนสาวกว่าฝ่ายท่านเมื่ออธิฐานจงเข้าไปในห้องชั้นไหนปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบําเหน็จแก่ท่านพระเยซู ส, สอนสาวกของพระองค์ในเรื่องของการอธิฐานว่าเมื่อเวลาอธิฐานอย่าเป็นเหมือนกับคนหน้าซื่อใจคดพระเยซูมองดูการกระทํา ต่างๆที่เกิดขึ้นในธรรมศาลาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาอธิษฐานคนยิวเนี่ยเขาจะมีสถานที่คนที่เป็นธรรมจารย์เป็นฟาริสีเขาจะมีสถานที่ในการอธิษฐานของเขาและสถานที่ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่กลางตลาดเขาจะไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วอธิษฐานเสียงดังๆเพื่อให้คนทั้งตลาดเนี่ยได้มองเห็นการอธิษฐานของเขาสิ่งที่เขาอธิษฐาน และมันเป็นการมองเห็นว่าเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความเชื่อที่แข็งแรงมั่นคงแต่ในแต่สิ่งที่แปลกพระเยซูคือสอนในสิ่งที่กลับกันพระเยซูคริสอนว่าถ้าคุณจะอธิษฐานให้เข้าไปในห้องชั้นไหนไม่พอปิดประตูและอธิษฐานไม่ต้องให้ใครเห็นไม่ต้องให้ใครรู้ มีแค่คุณกับพระเจ้าเท่านั้นที่รู้แล้วเวลานั้นคือเวลาส่วนตัวของเรากับพระเจ้าจริงๆเป็นเวลาที่คุณไม่จำเป็นต้องสนใจว่าคุณจะอธิษฐานท่าไหนคุณไม่จำเป็นต้องสนใจว่าถ้อยคำของคุณเนี่ยมันจะไพเราะแค่ไหนไม่ต้องสนใจว่าจะมีใครได้ยินสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเนี่ยมีพระเจ้าเท่านั้นที่ได้ยิน พระเยซูคริสต์บอกว่าแก่นแท้ของการอธิษฐานไม่ใช่ลีลาไม่ใช่ท่อยคำที่สละสลวยที่เราแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนการอธิษฐานคือการสนทนาระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวพระเยซูคริสต์บอกว่าเมื่ออธิษฐานเข้าไปในห้องชั้นในปิดประตูเราจะสามารถได้ยินสิ่งที่เราพูด เราจะได้ใครควรกับพระเจ้าอย่างจริงจังและใช้เวลาของเราสงบจำเพาพะพักของพระเจ้าและเป็นโอกาสที่เราจะสารภาพความบาปของเรากับพระเจ้าการที่เราอยู่จำเพาพะพักของพระเจ้าเราปิดประตูเราอยู่ในห้องของเราส่วนตัวเป็นโอกาสที่เราเปลือยชีวิตของเรากับพระเจ้าเป็นโอกาสที่เราได้บอกกับพระเจ้าว่าเรามีความทุกข์อะไรในชีวิต เรามีความบาปอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้างอย่าทําการอธิษฐานให้มันเป็นแค่พิธีกรรมอธิษฐานเป็นเพียงแค่พิธีที่เราทําบางคนขอให้เราอธิษฐานเผื่อเราก็อธิษฐานเผื่อเขาเป็นพิธีเพราะว่าการอธิษฐานคือเวลาส่วนตัวเวลาที่เราสงวนเอาไว้ระหว่างเรากับพระเจ้าเป็นเวลาที่เราพูดคุยไข้ควรชีวิตทั้งหมดและมันเป็นการเติมพลังชีวิตของเรายิ่งเวลาที่เรา เผชิญหน้ากับความทุกข์การอธิษฐานคือการร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและมันเป็นเวลาที่มีความสำคัญเพราะว่าเราจะได้ยินสิ่งที่พระเจ้าจะตรัสในชีวิตของเราจริงๆหลายครั้งเมื่อเราอธิษฐานเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจกับถ้อยคำที่เราพูดไม่ได้ใส่ใจกับคาที่เราบอกเรามีแต่ความต้องการในชีวิตของเราและเรามาหาพระเจ้า เหมือนมาบนบานสารกล่าวพระเจ้าลูกอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้และถ้าลูกได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ลูกจะตอบแทนพระองค์ด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราคิดว่าพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเวลาเรามาหาพ่อแม่เราต้องการอยากจะขอบางสิ่งบางอย่างจากพ่อแม่เราหรือจากคนที่เราใกล้ชิดเราจะไม่มีทางทาอย่างนั้น และถ้าพระเจ้าให้อะไรเราบางอย่างพระองไม่ปรารถนาของแลกเปลี่ยนถ้าพระเจ้าอยากจะให้กับเราพระเจ้าก็ให้แม้ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ขอเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราขอมันอาจจะไม่ได้ดีพอที่พระเจ้าจะให้หรือบางครั้งสิ่งที่เราขอมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมสําหรับเราในเวลาในเวลาเหล่านั้นจริงๆแต่พระเจ้าจะให้ในเวลาที่เหมาะสม ในสิ่งที่เหมาะสมสำหรับชีวิตของเราถ้าเมื่อไรที่เรารู้ว่าชีวิตคริสเตียนของเรากำลังขาดกำลังการถอยออกมาเก้าหนึ่งเพื่อจะใช้เวลาของตัวเองอยู่กับพระเจ้ามองกลับมาดูชีวิตของตัวเองมีอะไรที่เราต้องแก้ไขปรับปรุงและมีอะไรที่เป็นนามพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนา ที่จะให้กับเราหลายคนถามว่าเสียงของพระเจ้าเป็นยังไงไม่มีใครรู้นอกจากตัวเรากับพระเจ้าและถ้าเราใกล้ชิดกับพระเจ้าเพียงพอเราจะแยกออกว่าเสียงไหนคือเสียงของตัวเราเองและเสียงไหนคือเสียงของพระเจ้าปัจจัยเดียวที่จะทำให้เราเข้าใจและเรารู้จักเสียงของพระเจ้าคือการที่เราเอาชีวิตของเรา คอนเนคกับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าใกล้ชิดจนเรรู้ใจพระเจ้าเมื่อเรารู้ใจพระเจ้าสิ่งที่เราขอก็จะอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าด้วยเมื่อเวลาที่เราถอยมาก้าหนึง่งและใช้เวลาของเราจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวถอยมาเก้าวหนึ่งเพื่อจะใช้เวลากับพระเจ้าให้เรานั่งลงสงบใจของเรา ใช้หัวใจของเราเข้าเฝ้าพระเจ้าและใช้หัวใจของเราอธิษฐานกับพระองค์และขอให้เราอธิษฐานด้วยหัวใจของเราและทุกครั้งที่เราพูดคำเหล่านั้นจะออกมาจากใจของเราและเมื่อเราออกมาจากใจของเราคำอธิษฐานที่เรามีต่อพระเจ้ามันจะมีพลัง และพลังแห่งคำอธิษฐานนั้นมันจะผลักดันทำให้เรามีกำลังขึ้นและสามารถก้าวต่อไปในความเชื่อของเราด้วยความมั่นใจเดินหน้าสู่หนทางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเช้านี้อาจารย์ที่เทศนาในภาคภาษาอังกฤษท่านเทศหัวข้อว่าทำไมมันยากนักที่จะอธิษฐานบางครั้งเราเป็นคริสเตียนเรารู้สึกว่าไม่เห็นจะยากเลยอธิษฐาน อาจารย์เขาถามแล้วว่าเวลาที่เรามีความทุกข์มากที่สุดในชีวิตบริบทของพระวจนะคำของพระเจ้าที่บอกเราว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีมันคือสถานการณ์ที่คริสเตียนในเวลานั้นกําลังถูกฆ่าวันทุกวันมีคนตายเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์และอาจารย์เปโลอเขียนจดหมาย ไปหาพี่น้องในเมืองนั้นแล้วบอกพี่น้องว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันง่ายที่จะจะอธิษฐานแต่บางครั้งเวลาที่มีความทุกข์มากที่สุดในชีวิตการอธิษฐานก็ยากเหลือเกินแต่อยากให้เราได้ถอยมาก้าวหนึ่งเพื่อเราจะเดินต่อไปข้างหน้า ถอยมาเก้าหนึ่งเพื่อขอพลังจากพระเจ้าถอยมาเก้าหนึ่งเพื่อจะตั้งหลักและเข้าใจน้าพระทัยของพระเจ้าในชีวิตในเวลาที่เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าไม่ได้เลยแต่วันนั้นเราจะสามารถกล่าวคำขอบคุณพระเจ้าแล้วอธิษฐานขอพลังจากพระองค์และหวังว่าพลังที่พระเจ้าให้เรามันจะมีแรงเพียงพอพอที่จะผลักเราให้ไปเจอสิ่งที่ดีที่สุด ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับเราในอนาคตขอพระเจ้าอวย พ, พรค่ะ